มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนกะปัญหาอัธรรมวัคกุศลากุสลานังพลวาพลวะปัญหาที่เจ็ดถามว่ากุศลกับอกุศลข้างไหนจะมีกำลังมากกว่ากัน สมเด็จพระเจ้ามิรินภูมินทราธิ่ดีมีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตนาคเสนาข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชากุศล น, นี้จะ ก, กล้าหรือว่าอากุศลจะกล้าอันว่ากุศลกรรมและอกุศลกรรมนี้ข้างไหนจะมีกําลังมากกว่ากันพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเสนจึงถวายพระพรว่ า, วามหาราชขอถวายพระพรบอพิษพระราชาสมภาร กุศลังอันว่ากุศลอธิมัตตังพละดารังมีกำลังกล้ากว่าอากุศลขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิรินภูมินทราธิปดีจึงมีพระราชาองค์การตรัสว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาผู้เป็นเจ้าว่านี้ณนะสัทธาหามิโยมไม่เชื่อเลย อะไรจะว่ากุศลกล้ามีกำลังยิ่งกว่าอกุศลนั้นพันเตนาคะเสนข่าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชามนุษย์ในโลกนี้กระทําปานาติบาตอธทินนาทานกาเมสุมิชฉาจารมุสาวาทและฆ่าชาวบ้านฆ่าคนเดินหนนทางและลวงเขาเอาเขาไปฆ่าเสียนั้นก็ดี สัพเพมนุษาอนุวัมนุษย์ที่กระทำอกุศลกรรมทั้งปวงนี้ย่อมมีโทษใหญ่และโทษน้อยแม้ว่ากระทำอกุศลในกลางวันได้ผลในกลางราตรีถ้ากระทำในราตรีได้ผลในกลางวันที่ได้ผลในวันที่ทำคืนที่ทำนั้นก็มีบางทีได้ผลในสองวันบางทีได้ผลในสามวัน นี่แหละมนุษย์ซึ่งกระทาอากุศลกรรมนั้นย่อมได้ผลเป็นทิฏฐธรรมเวทนียกรรมได้ผลประจักษ์เช่นนี้ฝ่ายมนุษย์ที่กระทากุศลนั้นบางพวกได้ให้ทานถวายบริหารแก่ภิกษุรูปหนึ่งบ้างสองรูปบ้างสามรูปบ้างสี่รูปบ้างห้ารูปบ้างร้อยรูปบ้างพันรูปบ้างหมื่นรูปบ้าง บางพวกก็รักษาศีลห้าศีลสิสเป็นนิตยศีลบางพวกก็รักษาอุโบสถศีลมนุษย์เหล่านั้นก็ได้ผลเป็นทิฏฐธรรมวีธนีในปัจจุบันเห็นทันตาประจักแจ้งในชาตินี้มีอยู่หรือพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเษนจึงมีเทระวาจาว่ามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารอันว่าบุคคลให้ทาน รักษาศีลสมาทานพระอุโบสถศีลได้ผลเป็นทิฏฐะเห็นประจักษ์ในชาตินี้มีอยู่สี่คนขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชามีพระราชองค์การตรัสถามว่าพันเตนาฆเสนาข่าแต่พระนาคเสนผู้เป็นเจ้าที่ว่ากระทาการกุศลเห็นผลประจักษ์อยู่4ีคนนั้น โกจิคือใครบ้างใครบ้างพระผู้เป็นเจ้าจงชี้แจงให้แจ้งก่อนพระนาคเสด็จจริงถวายพระพรวิสชนาพระเจ้าสกะมันธาตุราชนั้นองค์หนึ่งพระเจ้าเนมิราชพระองค์หนึ่งพระเจ้าสาธินราชพระองค์หนึ่งนายตินนาบานคนหนึ่งขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมิินทราธิปดีมีพระราชองค์การตรัสว่า พันเตนาคเสณะข้าแต่พระนาคเษนผู้ปริชาที่ว่านี้พระผู้เป็นเจ้านำเอาคนสี่คนมาว่าความข้อนี้นานลึกดึกดำบรร์ตั้งแต่สมเด็จพระพุทธเจ้ายังไม่ได้ตรัสว่าจำเพาะเมื่อสมเด็จพระพุทธเจ้ายังมีพระชนอยู่นั้นมีใครบ้างที่กระทำบุญได้ผลเห็นทันตานิมนต์ว่าไปเถิดพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเสนผู้ปริชาแก้ว่า เมื่อครั้งสมเด็จพระบรมโลกกาณาธมีพระชนอยู่นั้นบุคคลกระทํากุศลได้ผลเห็นทันตามีอยู่หกคนบุญนโกธาโศคือนายปุณนธาธาตคนหนึ่งปุณนธาธาตคนนี้ได้ถวายจังหันแก่พระสารีบุตรเทระเจ้าก็ได้ที่เป็นบุญกะเศรษฐีในวันถวายจังหันนั้นใช่แต่เท่านั้น ยังมีอยู่อีกห้าคนคือมารดาในโคบาลคนหนึ่งสุ ป, ปิยาอุบาสิกาคนหนึ่งนางมาริกาเทวีคนหนึ่งสุมาณมาลาการคนหนึ่งเอกสาดกพราม์คนหนึ่งจึงเป็นห้าคนห้าคนนี้กระทำกุศลได้พกคสมบัติยศศักดิ์เห็นประจักษ์เป็นทิฏฐธรรมเวเทนีนะบบพิทพระราชสมภารกิระ ดังจะรู้มาสตรีมารดานานโคบานนั้นประกอบด้วยศรัทธาอัตโนเกสังวิ ก, กีนิตวาเอาผมไปขายได้ทรับแปดกะหาปณะนะแล้วเอาทรับแปดกะหาปณ ะ, ะนั้นไปซื้อจ่ายเป็นอาหารบินทบาทถวายพระมหากัจจายณะเทรรเจ้าก็ได้ผลเป็นทิฏฐธรรมเวทนี ได้เป็นอัครมเหสีของพระเจ้าอุเทนในวันที่ถวายจังหันนั้นนางสุ ป, ปิยาอุบาสิกานั้นถือเนื้อขาของตนเองแกงถวายแก่พระภิกษุขไข่ก็ได้ผลเป็นทิฏฐธรรมเวทนีรุ่งขึ้นวันเป็นคํารพสองบาดแผลที่เชื้อ น, นั้นหายสนิทหารอยมิได้นางมัลลิกานั้นได้ถวายขนมถั่วก้อนหนึ่ง แกสมเด็จพระพควันตะบพิษพุทธเจ้าก็ได้ผลเป็นทิฏฐธรรมเวทนีเห็นประจักษ์คือได้เป็นอักรมเหสีสมเด็จพระเจ้าโกศลในวันถวายทานนั้นสุมาณมาลากาโรอันว่านายสุมาณมาลาการนั้นเล่าถวายดอกมะลิแปดกำมือโปรยปลายบูชาสมเด็จพระบรมโลกกนราชสัสดาจารย์เจ้า ก็ได้ผลเป็นทิฏฐธรรมเวทนาิเห็นประจักษ์คือได้สมบัติเป็นอันมากเป็นของพระราชทานเอกะสาดกพราหมณ์นั้นมีผ้าหม่มผืนเดียวเอาผ้าหม่มผืนเดียวนั้นบูชาสมเด็จพระพัคหวันตะบพิษเจ้าเสียก็ได้ของสิ่งละแปดละแปดในวันถวายผ้าสาดกนั้นนี่แหละคนกระทําการกุศล ครั้งาศาสนาพระสัพพันยูเจ้าได้ผลเห็นประจักษ์มีเท่านี้รวมหกคนด้วยกันสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอลงการตรัสว่าพันเตนาฆเสนฆ่าแต่พระนาขาเสนผู้ปรีชาในาศาสนาของสมเด็จพระพุทธเจ้าของเรานี้มีคนทํากุศลได้ผลเห็นทันตาหกคนเท่านั้นแหละหรือพระผู้เป็นเจ้า พระนาคเสนจึงมีเถระวาจาว่าปหาราชาขอถวายพระพรมีหกคนเท่านี้แหละพระราชสมภารสมเด็จพระเจ้าเิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตนาคเสนาข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาถ้าว่าคนกระทำการกุศลได้ผลเห็นทันตามีหกคนเท่านั้นแล้ว โยมเห็นว่าอากุศลนี้มีกําลังกล้ากว่ า, ากุศลแท้นี่แหละพระผู้เป็นเจ้าคนที่กระทําอกุศลได้ผลเห็นทันตา น, นั้นมากต่อมากเอ็กังสมยังกระทําครั้งหนึ่งสิบคนก็มียี่สิบคนก็มีสามสิบคนก็มี ส, มสีส่สิบคนก็ ม, กมีห้าสิบคนก็มีร้อยคนก็มี เหมือนเมื่อครั้งพัทธปาลเสนาบดีของพระเจ้าจันทคุตนั้นกระทําสงครามกันกับพระเจ้าจันทคุตนั้นเองพลนิกายทั้งสองฝ่ายกองทัพนั้นมีมือสักกระสันด้วยดาบอันคมกล้าฆ่าฟันกันตายชิบหายนี้มากกว่ามากนักก็เพราะว่ากระทําอากุศลได้ผลเห็นทันตาเหตุชนีโยมจริงเห็นว่าอากุศลนั้นแรงกล้ากว่ากุศล สุยติพันเตนาคเสนาข้าแต่พระนาค เ, เสนผู้ปรีชาได้ยินบ้างหรือไม่เมื่อครั้งสมเด็จพระบรมโลกกาณาศาสดาจารย์ยังทรงทามามีพระชนอยู่นั้นพระเจ้าโกศลราช ถ, ถวายอสัติสสทานครั้งนั้นพระผู้เป็นเจ้าได้สนาการบ้างหรือว่าหามไม่ได้พระนาค เ, เสนจึงมีเถรวาจาว่า มหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารอัตมาได้สวนาการฟังทราบอยู่พระเจ้ามิลินภูมินธาธิปดีมีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตนาคเสนาะข้าแต่พระน า, าเกษรผู้ปรีชาตกว่าพระเจ้าโกศลราชถวายอสสทิสะทานครั้งนั้นได้ผลเป็นทิฏฐธรรมเวทนีเห็นทันตาหรือไม่เล่าพระผู้เป็นเจ้า พระนาคเกษณจิงถวายพระพรว่ามหาราชะขอถวายพระพร บ, บพิษพระราชสมภารพระเจ้าโกศลให้อสัติสถานนั้นจะได้ผลเป็นทิฏฐะเห็นทันตาหามิได้สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองการตรัสว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเกษณผู้ปรีชาอสัติสถานที่พระเจ้าโกศลถวายครั้งนั้น หรือชาปรากฏในโลกทีเดียวเหตุชนัยจึงไม่ได้ผลเป็นทิฏฐะเห็นทันตาเหตุชนี้โยมจึงว่ากุศลมีผลอ่อนหากล้าไม่แต่อกุศลนั้นมีผลกล้าจึงได้เร็วพระนาคเสนจึงมีเถระวาจาว่ามหาราชขอถวายพระพ ร, พรบพิธพระราชสมภารอันว่าอากุศลมีผลน้อยจึงพันที่จะให้ได้ผล กุศลมีผลมากจึงได้ให้ผลช้าจะอุปมาถวายมหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารธรรมดาว่าทัญชาตเข้าเปลือกมีสองอย่างอย่างหนึ่งชื่อว่ากุมุท ธ, ธกันดิกะคือข้าวละมานมักมีอยู่ในปัจจันตะประเทศข้าวนั้นเป็นข้าวเบาหวานลงในานาเดือนเดียวก็ได้ผล แต่ทว่าได้น้อยไปอย่างหนึ่งชื่อว่าข้าวสาลีหกเดือนหรือห้าเดือนจึงได้ผลแต่ทว่าได้มากนี่แหละบพิษพระราชสมภารข้าวสองประการนี้ใครจะมีภาษีกว่ากันสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินธราธิปดีมีพระราชโองการตรัสว่าพันเตนาคเสนาข้าแต่พระน า, าเกษตผู้ปรีชาอันว่าข้าวสาลีนั้น มีภาษีกว่าราชาระหังรัญญูปะโภคังควรแก่พระราชาเป็นที่เท้าพระยามหากริยัทรงสเสวยอันว่าข้ากุมุทธพันดิกะนั้นเป็นที่บริโภคแห่งกรรมกรพระนาคเษน จ, จึงมีเถระวาจาว่ามหาราชาขอถวายพระพรบพิพระราชาสมภารความเปรียบสองประการนั้นยะถา มีอุ ป, ปมาฉันใดอันว่าอากุศลให้ผลน้อยจึงได้ผลเร็วเปรียบเหมือนข้าวเบากุศลนั้นให้ผลมากแต่ได้ช้าเหมือนข้าวสาลีเป็นข้าวหนักให้ผลช้าขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมิินทราธิปดีจึงมีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเษนผู้ปรีชา ทำไมพระผู้เป็นเจ้าจึงวิสัชนาว่าอากุศลได้ผลมเร็วแต่ได้น้อยเล่าโยมเห็นว่าบุคคลกระทําอากุศลได้ผลมเร็วนี่แหละมีกำลังแรงจรึงให้ผลมเร็วนี่แหละโยมจะเปรียบให้ฟังข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าธรรมดาว่าโยธาผู้ใดเข้าสู่นรงสงครามปราบปรามข้าศึกให้ปราาชัยจับตัวในทัพมาได้ โยธาผู้นั้นก็ย่อมจะมีชื่อระบือลือชาว่าแกล้ากลาหายโยธาอื่นจะเทียมทันไม่ได้ประการหนึ่งพิงสะโกหมอผู้ใดรักษาไข้ถอนพิษไข้ให้โรคหายได้เร็วหมอนั้นก็นับว่าเป็นหมอที่ดีฉลาดกว่าหมอทั้งหลายย่อมจะได้ความยกย่องว่าเป็นหมอเอกประการหนึ่งโยคันโก อันว่าคนคำนวณนับผู้ใดถ้านับได้รวดเร็วว่องไวของมากมายนับครู่เดียวก็แล้วไม่เนิ่นช้าคนคำนวณนับผู้นั้นก็ย่อมได้รับความยกย่องว่าคำนวณเก่งอีกประการหนึ่งมันโลอันว่าคนปั้ำผู้ใดปฏิมันลังก็เหตตวาอาจสามารถที่จะปั้ำคนอื่นให้ล้มลงทั้งยืนนอนดิ้นระด่าวอยู่กับพื้นแผ่นดิน ถึงซึ่งความอัปปราชัยในท่ำกลางประชุมชนโลกก็เรียกว่าคนปร่ำคนนั้นมีแรงกล้ายะถามีอุปมาฉันใดอันว่าอากุศลก็ให้ผลเร็วเหมือนดังนั้นเหตุนั้นโยมจิงเห็นว่าอากุศลมีผลมากให้ผลเร็วแรงกล้าในการบัดนี้พระนาคเษสจึงถวายพระพรว่ามหาราชะ ขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารอันว่ากุศลกับอกุศล น, นี้ก็ให้ผลเป็นทิฏฐธรรมเวทนาเห็นทันตาและสมปรายิกะเวทนาชาติหน้าดุดเดียวกันแต่ทว่ากุศล น, นั้นแรงอกุศล น, นั้นไม่แรงไม่กล้ากว่ากุศลกุศลกล้ากว่าอัตมาจะวิสัญนาให้เห็นซึ่งว่าอกุศลให้ผลเป็นทิฏฐะ เห็นทันตาตามมหาสาวัชโทษนั้นมีลักษณะอยู่อย่างนี้ข้อซึ่งบบพิษพระราชสมภารเปรียบมาว่าเห็นคนทั้งหลายการะทมอากุศลคือปล้นสะดมฆ่าชาวบ้านชกตีกลางทางเป็นต้นแล้วด้วยความฉิบหายล้มตายต้องตัดตีนสินมือนั้นจะจัดว่าเป็นทิฏฐะธรรมเวทนีอกุศลให้ผลทันตานี้ ยังว่าไม่ได้โดยแท้ด้วยราชบัญญัติมีมาแต่ก่อนเป็นพระราชกำหนดสมเด็จบรมกษัตริยราชตั้งไว้ว่าบุคคลกระทำปานาติบาตฆ่าสัตว์ที่มีคุณเป็นต้นว่าฆ่ามนุษย์และบุคคลกระทาอธทนาทานปล้นสะดมช่อโกหกและบุคคลกระทากาเมสุมิฉาจารประพฤติผิดภรรยาท่านและบุคคลกล่าวมุสา คือเจราจาล่อลวงให้เขาเสียทรัพย์เจราจาหยาบคายคือบริภาษนาด่าด้วยกล่าวคําหยาบช้าและบุคคลเสพสุรายาเมานั้นมีสถานโทษให้ลงอาญาตามโทษเมื่ออาณาประชาชนกระทํากรรมผิดจากพระราชกาหนดบทพระอายการแล้วท่านก็ลงพระราชอาญาฆ่าตีตามสถานโทษ จึงเห็นว่าอากุศลให้ผลเร็วมีกำลังก็ถ้าจะตั้งกฎหมายไว้บังคับว่าบุคคลที่ตั้งอยู่ในศีลห้าเป็นนิจยะศีลแล้วให้พระราชทานยศถาบรรดาศัก์ทรัพย์บริวารให้เขานั้นให้เขานั้ น, น, นและบุคคลซึ่งรักษาอุโบสถนั้นพระราชทานให้ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นกฎหมายอย่างนี้มีหรือหาไม่ได้บพิษพระราชาสมภาร สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอคงการตรัสว่ากฎหมายเช่นพระผู้เป็นเจ้าถามนั้นไม่มีพระนาคเษนถวายพระพรว่าเพราะกฎหมายไม่มีคนที่ทำกุศลจึงไม่ได้ผลเห็นทันตาเป็นทิฏฐธรรมเวทนีเหมือนกับคนที่ทำอกุศลนั้นที่จริงนั้นถ้าว่าจะให้ผลเป็นสัมปรายิกะภายหน้าแล้วกุศลนั่นแหละ ให้ผลกล้าเรียวแรงกว่าอากุศลเมื่อพระนาคเษนวิสัชนาดังนี้สมเด็จพระเจ้าวิริลินปินประชาก็ปรงพระปัญญาเห็นด้วยจึงตรัสสรรเสริญว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเษนผู้ปรีชาสาธุสะผู้เป็นเจ้านี้เป็นวุธิมันตะบุคคลคือบุคคลมียานจำเริญยิ่งจึงแก้ปัญหานี้ได้ โยมว่าตามโลกีพระผู้เป็นเจ้าแก้ด้วยโลกุตระที่นี้โยมเห็นด้วยแล้วว่ากุศลมีกำลังกว่าอากุศลโยมขอรับไว้ในการบัดนี้จึงมีคำอธิบายจะให้เห็นว่ากุศลนั้นกล้ากว่าอากุศลธรรมดาว่าบุคคลอันไดโลกุตระเหมือนเช่นพระองคุลิมานเทระเมื่อเป็นโจรอยู่นั้นข้าฟันมนุษย์เสียเป็นอันมาก ครั้นบัณฑรชาก็ได้สำเร็จแก่พระโลกุตระธรรมกรรมที่ข้าฟันมนุษย์นั้นหาตามทันไม่เป็นอาโหสิกกรรมไปสาธุสัตบุรุษพึงเข้าใจเถิดว่ากุศล น, นี้กล้าอาจสามารถที่จะนำตนให้ถึงนิพพานข้ามพ้นอกุศลไปได้ดุจพระองคุลิมานเถระนั้นกุสลากุสลานังพระวาพระวะปัญหา เป็นคำรบเจ็ดจบเพียงนี้